มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาชัตวักปัญญายะปฏิฐานะปัญหาที่แปดถามว่า ที่ตั้งของปัญญาอยู่ที่ไหนราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอการตรัสถามว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาปัญญานี้จะอยู่ที่ไหนนิมนต์วิสัญนาไปให้แจ้งก่อนพระนาคเสนจึงถวายพระพรว่ามหาราชาดูรานะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐ ปัญญาจะได้เกิดปรากฏว่าอยู่ที่ใดหาไม่ได้ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชากรมีพระราชโอการตรัสว่าพันเตนาฆเสนฆ่าแต่พระนาคเสนพระผู้เป็นเจ้าว่าปัญญามีไม่ได้ปรากฏว่าเกิดอยู่ที่ใดกระนั้นปัญญาไม่มีดอกกระมังหรืออย่างไรนิ่มนวิสัชนาให้แจ้งก่อนพระนาคเสนจึงถวายพระพรว่ามหาราช ดูราณะบอพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐลมนี้บังเกิดปรากฏอยู่ที่ใดเล่าพระราชสมภารพระเจ้ากรุงมิลินมีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตฆ่าแต่พระผู้เป็นเจ้าอันว่าลมนี้เล่าจะปรากฏอยู่ที่ใดหาไม่ได้พระน่าเกษรจริงอุปมาต่ออุปมาว่ามหาราชะดูราณะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐในอิสริยยศ ลมไม่ปรากฏที่อยู่ชั้นใดปัญญานี้ก็ไม่ปรากฏว่าเกิดอยู่สถานที่ใดมีอุปมาเหมือนลมนั้นขอถวายพระพรฝ่ายสมเด็จพระเจ้ามิดินปินประชากรทรงฟังก็โสมนัสมีพระราชโอการตรัสว่ากันโลสิพระผู้เป็นเจ้าวิสัชนานี้สมควรปัญญายะปฏิฐานปัญหาเป็นคำรบแปดจบเท่านี้